ท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาศึกษาในเรื่องของกริยาในการนอบน้อมพระรัตนตรัยตอนนี้เรานอบน้อมบุคคลพรเจ้าคําว่ากริยาเนี่ยการนอบน้อมเนี่ยมาจากคาว่าปัณณปะน้ำ ป, ะ, นะปะนามนะปอปานนเนสมมนสะอามมะปัณณ์คานั้นน่ยในวงเล็บเขียนเป็นภาษาไทยก็เขียนเป็นปรปราก็คือปอปารเรือสระระนามะก็คือใส่นอเนเนี่ยสะราะมอมะ ประนมนั้นคือกริยาแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสประการกริยาที่แสดงการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสาประการก็คือกายะปรญนามเห็นไหมคำว่าปัญนามทั้งโลกเนี่ยแปลว่าการติฉินดินทากล้ากล่าวอันนี้คนละเรื่องนะนี่ภาษานี่เป็นบาลีได้แก่กริยาถ้าหากว่ากายะปัญนามเนี่ยได้แก่กริยาที่กระทําทะะัศนคขาสโมโอทานทัานิสิท นักขาก็คือเล็บลื่นมือเนี่ยนะทั้ง10มือ10นิ้วอะ่ะเขาเรียกว่าทักษะนัข่า ส, ม, สมโมทานป น, นมนอบน้อมกราบไหว้หรกราบกลานด้วยเบญจงังคปดิษฐ์อย่างเงี้ยเขาเรียกกันนอบน้อมพระบรมศ า, ศาสดาตรัสไว้ในคำเพียประธานในคุถกานินกาอวทานนะบอกว่าดูก่อนอานน์เราจะถาคตเนี่ยกว่าจะได้ตัดสรูุนุตตระสัมมาสัมโพดิยานเนี่ย คือว่ า, วากริยาแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนี่ยกริยาที่กระทําทัาสานัขาสโมทันคือปนมกรเนี่ยนะ น, น, น, น้อมกราบไหว้พระเจ้าองค์ก่อ น, อนตอนสร้างบา ร, รมีมาเนี่ยมากกว่าเมรัศทรายในมหาสมุทรคือผ่านพระเจ้ามาขนาดนั้นกว่าจะได้เป็นพระเจ้าก็แสดงว่าพระบรมศาสดาพระเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวใช่ไหมแต่เวลาจะมาอุบัติเกิดขึ้นแต่ละยุค แต่ละการเนี่ยมาเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะเป็นอุด ม, มบุรุษเป็นบุคคลที่สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสูงสุดกว่ามนุษย์สูงกุศลกว่าเทวดาสูงส่วนกว่าสูงสุดกว่ามารและพรหมนั่นคือพุทธยาวฉะนั้นกายประนามก็คือการนอบน้อมด้วยกายฉะนั้นต้องประนมมือสิบนิ้วนี่แหละแล้วก็นอบน้อมด้วยการกราบแบบเบญจางครัดดิ้งทีนี้ถามว่ากายที่นอบน้อมเนี่ย บ่งบอกถึงใจได้ไหมใจด้วยส่วนประการที่สองก็คือวจีปนามก็คือว่ากริยาที่เปล่งวาจาว่าข้าพระุทธเจ้าขอถวายน้ำมศการแด่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายน้ำมศการแด่พระธรรมเจ้าถวายนามำมศการแด่พระสงฆ์เจ้าเนี่ยการเปล่งวาจาอย่างนี้เขาเรียกว่าวจีปนามคือนอบน้อมด้วยวาจาเหมือนอย่างบุคคลที่ มีกุศลเจตนาสัตทินทรีย์ในกุศลต่อในพระศีรษะนาไตรนะที่บอกว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะถ้าพูดอย่างนี้นะบางทีมือท่านไม่ยกนะท่านพูดอย่างนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะข้าพาเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะผู้ไกลจากกิเลตสตัศรชอบได้โดยพระ อ, องค์เองเองนะี่ยกุศลเจตนาศรัทธาที่เป็นประธานเกิดขึ้นแล้วก็เปล่ง วาจาออกมาแล้วก็กราบอย่างนี้ก็เรียกว่าวจีปันนำนอบน้อมได้วาจาข้าพเจ้านอบน้อมพระพุทธมิลภาคเจ้าข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมต่อพระธรรมมา้าข้าพเจ้าข อ, อนอบ น, อ น, อน้อมดอพระสงฆ์มายาอันนี้เขาเรียกนอบน้อมได้วาจาแต่เวลาสาทยายเป็นภาษาบาลีแล้วก็ฟังไม่ค่อยออกแปลไม่ได้ไงแต่พอพูดเป็นภาษาไทยเห็นไหมเนี่ยที่เราสาทายเมื่อกี้คือนอบน้อมพระพุทธเจ้าเห็นไหม นอบน้อมพระเจ้าที่ใช้คําว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมคตอรันต์ธรมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจาระนะอันนี้เขาเรียกว่านอบน้อมอย่างเรานอบน้อมกายนอบน้อมได้ไหมกายได้ ว, วาจาได้ไหมส่วนใจนั้นน่ะเขาเรียกมโนปนามะก็คือการนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยความเคารพนอบน้อมอยู่ในจิตไม่ได้นอบน้อมออกมาทางกายและทางวาจาอันนี้เขาเรียกว่านอบน้อมด้วยใจ สรุปแล้วถ้าถามบอกว่านอบน้อมพุทธเจ้านอบน้อมได้กี่ทางนอบน้อมด้วยกายนอบน้อมด้วยวาจาแล้วก็นอบน้อมด้วยใจอะไรสําคัญสุดเห็นไหมตัวมนโนกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วแต่เมื่อกายกรรมเราสามารถเคลื่อนไหวได้ทํากิริยาการที่นอบน้อมได้อันนี้ก็ต้องออกมาที่ต้องบอกว่าการนอบน้อมเนี่ยการนอบน้อมกิริย์ถามว่าเหตุศรัทธา เป็นประธานที่เกิดขึ้นจากการระลึกจากการไปตั้งมั่นในคุณของพระเจ้าเจตนาคือความจงใจตั้งใจใช่ไหมจัดแจงในการที่จะระลึกปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในคุณกับกิริยาที่นอบน้อมออกมาทางกายกิริยาที่มีการนอบน้อมออกมาทางวาจาและทางใจถามว่ากิริยาอย่างการนอบน้อมกับตัวศรัทธาตัวปัญญาและเจตนาที่เกิดอยู่ในใจอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผล อะไรคือเหตุอะไรคือผลใจที่มีศรัทธาใจที่มีเจตนาคือความตั้งใจมัน่นใจที่มีปัญญาที่มีความรู้ความเข้าใจในคุณอันนี้เป็นเหตุกิริยาคือการนอบน้อมออกมาทางกายมีการยกนิ้วสิบนิ้วขึ้นมานมัสการกราบด้วยเบญจางกัประดิษฐ์มีการเปล่งวาจากล่าวออกมาบอกนะโมตัสสะพระคุวะโตอรสาธโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบนอบ้นอมแด่พระผู้มีพภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น หรือว่านอบน้อมต่อพระธรรมนอบน้อมต่อพระรยาสงฆ์หรือมีการคิดอยู่ในใจฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลกิริยาที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและทางใจที่มีการนอบนะ้อเป็นผลของอะไรเป็นผลของศรัทธาที่ตั้งมั่นต่อสัตยยาวัตถุคือวัตถุที่ควรเชื่อฉะนั้นตัวศรัทธาเนี่ยนะตัวสัตทินรีเนะี่ยเป็นเป็นธรรมชาติที่มีความตั้งมั่นฉะนั้นความตั้งมั่นนั้นต้องตั้งมั่นแบบไม่หวั่นไหวที่ท่านใช้คําว่า ศรัทธามีลักษณะแห่งความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถามว่าเชื่อต่อสัตยยสุสิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าทำไมเราต้องเชื่อท่านใช่ไหมเออต้องทำไมต้องเชื่อพระพุทธเจ้าทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าอะไรคือพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเนี่ยถ้าว่าอย่างย่อๆเนี่ยมีสองความหมายนะความหมายแรกนี่คือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าถามบอกว่าที่จริงถ้าในลักษณะว่าแม่ถ้าถามบอกอะไรเป็นพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องยาวเลยนะคือเรื่องเรื่องยาวเลยนะก็ อ, อย่างนี้พายานพายานก็หมายความว่าแม่ถ้าพูดตามภาษาศัพท์เราอาจจะนี่ขอใช้ศัพท์นิดนึงนะเดี๋ยวขยายอีกทีมันหลีกเลี่ยงยากอ่ะก็คือปัญญายาณที่ประชมกันอยู่ในอาราธนาคือจิตที่ทํากิจในการประหารกิเลส เป็นสมุตชฉียทัาหารที่วันเพนขึ้นส5บห้าค่ำเดือนหที่ได้ต้นภาษีมหาโพธิแท่นวชชะอาย้อนหลังกลับไปสอง0ันห้ากว่าปีนั่นแหละถ้าปัจจุบันนี้ก็สอง3ั้า้ยสบสาถ้านับตอนจัดรู้ก็ประมาณ44บสี่ปีอย่างนี้นะนั่นแหละ กะแสขันของพระบรมศาสดาที่เข้าถึงความหมดจดเพราะสามารถประชุมปัญญายานที่ประชุมในวันเพนขึ้น15คหาคเลยตอนอรลลุขึ้นเลยแล้วสามารถประหารกิเลสเป็นสมูเฉทัตัดได้อนึงเด็ดขาดเลยนะตัดราคะความกาหนัดความขัดเครื่องความรุ่มหลงความมัวเมาความอิจฉาลิสยาทิธีเห็นผิดมานะ พร้อมทั้งวาสนาทั้งหลายเนี่ยที่ฝังแน่นในกำมลสันดานมาอย่างยาวนานในสังสารวัตรตัดให้ขาดสะบั้นเลยไม่มีเหลือเลยแล้วพระองค์ก็เป็นนั่นแหละพยานกรณีแห่งพยานตรงนั้นนั่นแหละเขาเรียกเป็นสภาวะที่ตัดสั้ไอ้สภาวะที่ตัดสั้นั้นไม่ได้พูดถึงบุคคลนะอันนี้พูดถึงตัวสภาวะที่อุบัติเกิดขึ้นมาเพราะการสั่งสมอัธยาศัย ถ้าถามบอกว่าพยานเหล่านี้ที่มาประชุมแล้วก็สามารถประหารความโลภโกรธหลงเป็นต้นให้หมดสิ้นจากในกมลและจิตใจของพระองค์ได้นั้นน่ยอะไรนาะเป็นปัจจัยแห่งการสร้างพยานนี่มาใช่ไหมพยานเหล่านี้ได้มาเพราะสมาบัติสมาบัติเหล่านั้นน่ยถ้ากล่าวตามในยะของคําสอนอะ่ะสองล้านสี่แสนกดสมาบัติ มากมายมากนั้นสมาบัติสองล้านสี่แสนโกสมาบัติซึ่งเป็นฐานของวิปัสสนาญาณหรือมหาวิปัสสนาญาณอย่างกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยที่ประชมในกระแสจใจของว่าพระพุทธยาวสามารถประมวลแล้วก็ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารได้นั่นแหละสร้างมาถ้าบอกสมาบัติทั้งหลายเหล่านั้นอะอะไรสร้างมาอะไรเป็นปัจจัยก็บอกว่าศีลเใช่ไหม ตัวปาติโมกสังวรศีน่ะอนินทรีสังวรปาติโมกสังวรศีลมีศรัทธาเป็นประธานของเจตานาศีลเป็นต้นที่เราเรียนกันเนีย่ยอินเดียสังวรศีลมีสติเป็นประธานของเจตานาศีลเจตสิกสังวรอวิติกมะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยขยายทีหลังนะเสินแล้วก็อาชีวะบริสุทธิศีลศีลที่มีอาชีวะความบริสุทธิ์เป็นมูลอันนั้นมีวิริยะคือความเพียรเนี่ยเป็นประธานของเจตนาศีล แล้วก็ปัจจะย ส, สันนิสิตาศีลศีลที่เกี่ยวกับารพิจารณาปัจจัยอันนั้นมีปัญญาความรู้ความเข้าใจความฉลาดเป็นประธานของเจตนาศีล์เห็นไหมก็จะมีศรัทธามีสติมีวิริยะแล้วก็มีปัญญานั่นแหละคือเป็นประธานของกุศลศีลอย่างกว้างใหญ่ไพศาลที่เกิดขึ้นในกระแสใจของพระพุทธเจ้านั่นแหละฐานนั่นแหละเป็นฐานของสมาบัติ2อง0้าน ที่จะถอมวัดศีลศีลนั้นน่มีอะไรสั่งสมมาศีลสมาธิปัญญามาประชุมกันในวันเพ็ญขึ้นส5บห้าคแล้วสามารถประหารกิเลสได้ใช่ไหมถ้าถามว่าอ้สิกขาศีลสมาธิปัญญาของพระบรมศาสดาที่กว้างใหญ่ไพศาลอะไรสร้างมาก็ต้องบอกว่าทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมี วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและก็อุเบกขาบารมี10แล้วนะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ระดับที่สองเป็นอุปปบารมีอีกสิเป็น20แล้วใช่ไหมแล้วก็ปรมัตถบารมีอีก10เป็นเท่าไหร่สานี่เขาเรียกว่าบารมี30ทัศน์ที่พระบรมศาสดาตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย สั่งสมมาอย่างยาวนานยี่สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากับอ น, นับยังไงนับหนึ่งอสงไขยิ่งยแนาับยังไงเอาโลกใบเนี้ยเนี่ยโลกใบนี้นะนับแบบคร่าวๆอย่างนี้เราเป็นนักศึกษาต้องเรียนรู้คําว่าคําว่าโลกใบเนี้ยกว่าโลกใบนี้จะก่อตัวขึ้นเนี่ยใช้เวลานานไหมก่อตัวขึ้นมานานมากก่อตัวขึ้นมาจนสมบูรณ์นะ ใช้เวลานา น, านมากแล้วก็โลกใบนี้ก็ค่อยๆผุพังไปเรื่อยๆนะับนะ ก, ก็จนดับไปเพราะไฟบ้างเพราะน้ำบ้างเพราะลมบ้างใช่ไหมก็ใช้เวลาอีกนานมากเนี่ยกว่าที่โลกแต่ละใบนี่ก็เรียกว่าจาักรวาล น, นี่นะกว่าจะอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกดับไปอย่างเงี้ยเขียนเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวจะนับยังไง เขียนเลขหนึ่งแล้วตามด้วยเลขศูนย์เลขศูนยร้อยสี่สิบตัวนั่นแหละจักรวาลคือโลกใโลกเนี่ยแตกดับเท่ากับจํานวนกับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์รอยสบตัวไหลแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยรอบหนึ่งของโลก เ, เขาเรียกว่าหนึ่งอสงไข่สองรอบก็สองอางไข่สามรอบก็สามอสงไข่สี่รอบก็สี่อสงไข่ นี่พุทธิสร้างบารมีมาเท่าไหร่ยี่สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากับทำได้นะทำได้นะถ้าทำไม่ได้ถามว่าบุรุษที่ใจเพชรขนาดเนี้ยแค่ดูประวัติการบำเพ็ญบารมีนะขนหัวลุกแล้วใจต้องกล้าไม่ใช่ใจอ่อนแอเลยอะ นี่ไงคือพระเจ้าอันนี้ว่าโดยบุคคลว่าโดยบุคคลผู้สร้างบา ร, รมีฉะนั้นมันมันต้องมันต้องลากจักรวาลมาคิดแล้วมันต้องรู้รู้ลุกคำว่าจักรวาลจริงๆในคําสอนเนี่ยท่านสอนไม้หมดเลยว่าจักรวาลเนี่ยโลกอุบัติเกิดขึ้นมาอย่างไรทรงตัวตั้งอยู่อย่างไรมีสัตว์มาถือมติสันธีเกิดยังไงวิวัฒนาการทั้งแรกเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้น แล ials, ้วมาจากโลกใบอื In In analysis, ่นยังไงเป็นต้นและในสังสารวัตเนี่ยมากกว่าแสนกว่าจักรวาลมีสัตว์มากมายยังไงเนี่งั้นถามว่าในคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยก้าวหน้าหรือวิทยาศาสตร์ไม่รู้เท่าไหร่วันก่อนพระมาอเมริกาเมื่อเล่ามาฟังในองค์การนาซ่ามีอยู่สองกลุ่มเขาบอกว่าเวลาเวลาเขาเวลาที่เขาไปเออ มีการส่งยานไปสู่อวกาศนนี้นไปสู่โลกแต่และที่เขาบอกว่าเขาจะเจอปัญหามาั ก, ก็คือเจอปัญหาก็คือว่าเจอปัญหาก็คือว่าคือในในในในองค์การนาซาเนี่ยแทบจะร้อยละแปดสิบเชื่อเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็ <c oughs> มาปรากฏได้เขเห็นยังไหมที่เขาไปตรงนี้นั่นก็ปรากฏ โอ้ก็เชื่อพราะหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยเอามีปัญหามากพราะมีปัญหาต่างๆเหล่าเนี้ยไม่รู้จะทํำยังไงตอนเนี้เพราเอินพระไทยเราไ ป, ไปเลยต้องนิมนต์เนี่ยมีนิมนต์พระไทยเนี่ยนิมนต์พระไทยนยให้ไปทําวิธีในองค์การนะมาฟังว่าข่อข่อเห็นไห <c oughs> มน <c oughs> มนุษย์เนี่ยในที่สุดจริงๆจะมีความกลัวไหมมีความกลัว <c oughs> เพราะมันมีกิเลสฝังใจอยู่ไงชักไม่ค่อยมั่นใจในวิชาที่เรียนเนี่ย บางทีไปเจอสิ่งที่ประหลาดประหลาดเข้าใจไหมไม่รู้จะตอบอยังไงอ่ะแล้วเกิดเขามีเทคโนโลยีล้ำเลิศกว่าเราเขาอีกซึ่งที่บางทีมาปรากฏอยู่ใช่ไหมพอทําท่าจะจะถ่ายหรือพอทำท่าจะจะปรากฏอะไรต่างเขาจะตามติดเนีเาวิ่งวิ่งตามไปนี้เขาหายวับไปนี้สมมติเนี่ย <laughs> โวยยุ่งเลยเนี่ยชักกลับมาลําบากแล้วก็กลัวกันใหญ่แล้วมา เ, เสร็จทำยังไงผมมาศึกษาคําสอน แต่เสร็จพระไทยนะ่าจะทําอะไรได้หน่อยว่านิมนต์พระไทยไปทํามิจีส่วนมณ์ไปคนเรื่องอีกแเนีย่ยที่จริงก็ไม่เชื่ออะไรความงมงายอะไอีกโดยเมพาะเนี่ยแล้วกลัวเนี่ยพอทำขึ้นมาแล้วสึกว่าเอมีขวัญกําลังใจดีก็ว่ากนี่นี่ระดับเนื้อเยืศาสตร์ของโลกเลยมนะั้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็มีเรื่องต่างต่างนี้เกิดฉะนั้นถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าโดยโดยบุคคลก็คือมีบุคคลจริงแล้วก็สั่งสมบา ร, รมีมามีการเกิดการตายมาตามลําดับบําเพ็ญบา ร, รมีสิทธ อุปบารมีสิแลปรมัตถมารมัยสิเห็นไหมทานบารมีโอ้โหถ้าเรามีเวลาในการศึกษานะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราจะทึ่งในบุญกุศลในบารมีที่พระพุทธเจ้าทำยังยาวไกลนั้นคือพูดถึงบุคคลที่สร้างบารมีแต่มาพูดถึงสภาวะไพุทธะโดยสถานะสภาวะที่ดับทุกข์ถ้าพุทธะในสถานะที่สภาวะที่ดับทุกข์นั้นเอาตัวปัญญาญาณ หรือสภาพของสิกขาสามทั้งหลายในนั้นมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีพระปัญญาญาณที่ไปไประชมุมเป็นครั้งสุดท้ายในกระแสขันของพระโพธิสัตว์หรือพระหมหาโ พ, พ, พธิสัตว์พอไปไปมมระชุมเสร็จพระสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาที่ไปไประชุมกันนั่นแหละในโลกุตลรารมัตในสภาวะธรรมที่สูงสุดนั่น ก็เลยทำกิจถึงการประหารกิเลสแล้วก็ได้สัมผัสความพ้นพุกเป็นครั้งแรกสภาวะอันนั้นแหละเรียกว่าสภาวะพุท ธ, ธะมองยากไหมสรุปก็คือว่ากระแสะใจของเราทุกวันเนี้ไม่สามารถเข้าถึงสภาวะพุท ธ, ธะนั้นได้เพราะมันยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้าตราบใด สามารถใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระแสใจแล้วก็พัฒนาขัดเกลาใช่พอกพูนในการเจริญกุศลไปอย่างต่อเนื่องที่สุดจริงๆก็สามารถประชุมไปตามลำดับของศีลของสมาธิของปัญญาตามลำดับนี่นะไล่ตั้งแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราเราออกจากปนาริบาออกจากการฆ่าได้ยาง ถาวรไหมไม่ถาวรนนะอย่าลืมนะถ้าถาวรนนี่ยุ่งเหลยใช่ไหมออกได้ถาวรไหมยังตบยุ่งอยู่ป่ะไม่ตบนะยังบี้มดตายอยู่ป่ะอีไม่ทําเลยเลยไม่มีเลยนะมีการดึงไข่เขามารีดทิ้งมีไหมไม่มีใช่ไหมไ้สิ่งงทีเดีคนเดี๋ยวว่าคนผมเนี่ยยาเนื้อเขาเชอบจับใช่ไหมรีดดึงออกมาจากผมมนี่ย ตอนเป็นเด็กๆอ่ะมาเนี่ยมีเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงลาขาดทำไมแล้วก่อนแล้วก็เราก็ไม่รู้เพื่อนก็บอกไปช่วยดึงไข่เขาออกจากหัวกูหน่อยขอเราก็ต้องไปดึงให้มันตัวไข่เขาเยอะก็ด่ามไปด้วยขออภัยนะก็ค่อยดึงดึงดึงดึงออกมาเส็จเสร็จก็เอามาเนี่ยเอาเอาเนี่ยมับีบเอาใส่เล็บนี่นะก็ค่อยๆกดแปะเข้าไปนี่ก็แตกเลยเราไม่รู้เราฆ่าสัตว์มีชีวิตไงใช่ไหมสัตว์มีชีวิตนะนน่ะ รู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีกิจกจิตคิดจะฆ่าทำความเพียนเพื่อฆ่าสัตว์ก็ตายลงเพราะความเพียนโอ้ครบกรรมบดเลยครบกรรมบดเลยพอครบกรรมบดเบ็ดเสร็จธอพักผ่อนกันก็ได้นะพักผ่อนไดนะค้คือคือตรงนี้ก็ศีลก็ขาดเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมบางทีโอไม่เอาแล้วใช้เราจังเลยเนะย ก็เลยไปบอลแนะนำเขาอีกนะเนี่ยเอาน้ำมันกา๊าดใส่หัวบางทีมันมันจะเหม็นใช่ไหมเพราะน้ำมันกา๊าดไปใส่หัวแล้วมันก็จะได้มันจะได้ไม่ขึ้นบ้างเยแต่เหมอือโบราณก็ทํากันงั้นจริงๆไ ป, ไปเอาอะน้ำมันกา๊าซเราเข้ามาก็ชุกนเขาก็ตายไปเลยโอ้โหบ่รู้วยเท่าไหรล้วไปแนะนำํำเขาด้วยแนะมาเนี่ยโอ้โหฉั้นฆ่าเฮาให้เพื่อนมาเยอะ บอกโอ้โหบามากบางคนหนักกว่านั้นนะหนักกว่าไม้เราไม่รู้ทำไมตอนนั้นเนะี่ยบางคนเนี่ยเลี้ยงหมาเนี่ยมันมีตัวเห็บใช่ไหมวันๆก็มีแล้วรีดเห็บให้หมาที่เรียกเดึงออกมาแล้วก็บีเนี้ยโอ้หบามากเห็นไหมเนี่ยกรณีในลักษณะนี้ก็เรียกว่าก็ทํากรรมทํากรรมที่ไม่เหมาะไม่สมที่ศีลกข็ขาดใช่ไหม เนี่ยความความเศร้าหมองก็เกิดตลอดฉะนั้นเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของพุทธิเรตต่างๆแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูว่าพระพระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีท่านสร้างเหตุปัจจัยมาตั้งแล้วไหนส่วนจริงมีอยู่ชาตินี้นะตอนที่พระองค์เป็นพระเจ้าศรีวิราชใช่ไหมก็มาพิจารณาดูว่าเออเราเนี่ยจะให้อะไรนะมันจะมีความสุข ท่านก็นเลยดำร่บอกว่าเราไม่ชื่นใจเลยท่านเริ่มตั้งสัติยานิฐานบอกว่าวันนี้ถ้ามีใครมาขอตาเราเราจะควักลูกตาให้เป็นทานดูใจดิดูใจด้จวยเราจะควักลูกตาออกให้เป็นทานเลยพอดำริอย่างนี้เบสเสร็จปุ๊บร้อนถึงพระยินนะพระยินบอกว่าอยากจะทดลองทานของพระเจ้าสิวิราชว่าชัดว่าจริงหรือเปล่ามาเลย กลายเป็นคนตาบอดเดินมาในราชวังเลยเท่าข้าพเจ้าตาบอดมานานแล้วทุกทรมานอยากมีใครให้ดวงตาเลยเดินในตานองอย่างนี้นะโอ้โหแกได้ฟังแค่นั้นก็ตื่นเต้นแทบตกบอลลังนะเป็นพระราชามหากษัตริย์เนี่ยตื่นเต้นมากคือคนที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้วันหนึ่งถ้าได้ให้แล้วมันไม่ไม่อิ่มใจเคยเป็นไหม ถ้าคนเคยให้ให้ใ ห, ให้วันหนึ่งให้ให้ใ ห, ให้เอามาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะบำเพ็ญบารมีเลยมาเอามาวินนบาดบินนบาตเนี่ยเอามาคิดตลอดว่าให้เจอพระหน่อยจะได้ให้ทานใช่ไหมงั้นเวลาปุ๊บเนี่ยเจอพระมาหนู ก, ก็ชื่นใจแล้วเอ๊ะพอพอหนักเข้าหนักเข้าเนะี่ยเริ่มคิดเอ้ให้แล้วเริ่มไม่อิ่มใจแล้วอยากจะให้อะไรที่มันมากกว่านี้ยนี่เห็นไหมอาการให้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่า อยากจะสร้างทานบารมีให้ยิ่งยิ่งยยใหญ่ใหญ่หญหญหญหขึ้นไปมันก็เป็นลักษณะเงี้ยกระแสคิดความคิดเนี่ยถ้าจิตที่คิดจะให้มันจะเริ่มมีความสุขจากการให้จากการสละนี่ท่านก็คิดท่านก็คิดพอมาเหตุสังข์ก็ตื่นเต้นเอ๊ะถ้าจะไปบอกต่อหน้าอำมาตราชมนเทียนเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปเดี๋ยวก็มีคนห้ามเยอะท่านก็เลยบอกว่าให้เข้าไปในพระที่นั่งบอกว่าให้คนเอาพรามตะพรามนี้เข้ามาเพราะงั้นเนี่ย แล้วท่านก็เข้าไปนั่งอยู่บนแท่นที่ในปราที่นั่งนะ้นเสร็จเร็จก็ให้เข้ามาแล้วก็ไม่ให้คนเข้าแล้วพอมาเสร็จเร็จก็ไปเชิญหมอศิวะกะมาว่าหมอที่ชํานาญนี่นะมาหน่อยวันนี้เราจะทําทานที่ยิ่งใหญ่แล้วเราจะให้อวัยวะเป็นทานแล้วให้ชีวิตด้วยนะถ้าชีวิตจะแตกดับเราจะน้อมให้ชีวิตเป็นฐานด้วยนี่ท่านคนนี้ต้องการตาห่วงนั่นนะขอตาเราข้างเดียวแต่เราจะให้สองข้างเลยเห็นไหมเขาขอข้างเดียวแต่เราจะให้สองดูใจดิ พอมาถึงเบสเสร็จเบสเสร็จก็พาวันนั้นก็ม า, มานั่งขอตาก็บอกนี่นะให้หมอมาเลยบอกหมอเร็วๆว่าเข้าเ ร, เ ร, เรปาปรารถนาจะให้ทานที่ยิ่งใหญ่บากงั้นนะาหมอก็นึกในใจว่าเราจะทำยังไงแต่ใช้มีดใช้เหล็กเข้าไปเจเาะไม่ถือว่าไม่ชนานาญหมอนี่เป็นหมอที่ชำนาญมากท่านใช้ยายายาที่หมอก็มีความสามารถ ใช้ยาเป็นน้ําเนี่ย้าไปก็ให้ให้พระโพธิสัตว์ให้พระมหาสัตย์เนี่ยพระเจ้าสิวราชเหนื่อยขึ้นแล้วก็ใช้ยาหยอดเข้าไปเนี่ยหยอดไปในเบ้าตาแล้วมันจะกัดเนอะไอยามันจะกัดกัดหนังตาออกหมดเี้กัดกัดการไปเสร็จการไปเสร็จไปเสร็จก็โอ้โหลึกเข้าไปข้างในพอดีเลยลูกตาของคนเราเนี่ยมันเท่าขนาดไข่ไก่นะใหญ่กว่าไข่ไก่หน่อยนะพอกัดมาโบหมดเลยเนี่ยเห็นลูกตากลิ้งก็ กลับไปกับบางเงี้ยมันไม่ยังไม่หลุดถามว่าปวดไหมท่านทรมานมา ก, กเลือดไหลออกมาโซมดานกิดทรมานมากท่านก็บอกว่าหมอเร็วเร็ ว, เ ร, วเราอยากเห็นทา น, นบา ร, รมีของเราเราปรารถนาที่จะให้ท่านอดทนไหมอดทนถ้าไม่ทนจะโกรธไหมโกรธแล้วศีลจะแตกไหมศีลและบา ร, รมีจะแตก เห็นไหมต้องมีขันติธรรบารมีท่านต้องเพียรไหมต้องเพียรพยายามรักษาใจเป็นกุศลเห็นไหมท่านต้องมีสัจจะไหมสัจจะท่านต้องมีอธิษฐานและตั้งมั่นไหมว่าเราจะเป็นผู้ได้ย้าวนั้นการให้ของเราครั้งนี้จะได้เป็นปัจจัยแก่สัมมาสัมปวิยายบอกหมอให้จัดการเร็วๆเราอยากเห็นทานนัอุปปาลมีทานนปรมัตของเรา หมอก็ใช้ยาผสมสูตรแรงกว่าเกา่าเจ็บปวดกว่าเกา่ากรอกเข้าไปอีกพอกรอกเข้าไปครั้งที่สองกริ่งออกมาได้แต่ยังออกมาได้หน่อยเดียวมันคาอยู่ใช่ไหมมันมีสายข้างในยังไม่ถูกตัดคั่วตัดขั้วที่เกี่ยวกับเนื้อมันก็ติดอยู่มันก็ห้อยมาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถนัดก็ต้องผสมยาที่แรงกว่าเก่าอีกแล้วก็ใส่ไปครั้งที่สามอย่เนี้ย ห้อยออกมาห้อยย้อยออกมาอย่างนี้เลยมันก็จะมีสายของในเกี่ยวกัเรื่องของเส้นเลือดทั้งหลายเนี่ยยึดโยงอยู่ห้อยมางเงี้ยเลือดเต็มไหลเต็มหมดเลยอย่างเนี้ยนะท่านก็ให้หมอตัดเร็วท่านก็อดทนนะให้หมอตัดเพราะท่านอยากจะดูใช่ไหมหมอก็ใช้มีดเข้าไปตัดตัดสายเพื่อจะไปต่อ ทำการเปลี่ยนลูกตาให้หมอผู้ชำนาญเนี่ยพ อ, อตัดเสเร็จแล้วท่านขอจับดูนะพอมาจับดูอย่างงี้โอ้โหปลาโมดความอิ่มใจปีติความยินดีปลาปื้มอย่างสูงสุดปัสสธิความสงบใช่ไหมแล้วก็ความสุขเกิดในกระแสะใจสมาธิความตั้งมั่นปัญญาก็เกิด เราได้ให้ทานอุปปาลามีแล้วทานสำเร็จแล้วยื่นให้เอาพรมจงมีความสุขนะจงมองเห็นปราศจากทุกมีใจเบิกบานอย่างนี้เนี่ยจงมารับทานเราโดยเร็วเถอดจับมือของทานเรายื่นให้ตาข้างเดียวที่มองอยู่นี่ไงแต้วเรามานั่งคิดดูทีนี่แหละพระพุทธเจ้ามีใจเดี่ยวๆแบบนี้ แล้วพอ ข, ข้างเดียวยังไม่พอบอกหมอท่านกำลังดีมากพระโพธิสัต์อีกข้างหนึง่งแล้วก็ทำในรันยะอย่างเดียวเลยเราลงมาพินิษ์พิจารณาดูว่าอันนี้เพียงหนึ่งชาติในหลายร้อยโกฎดกับกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้มาตรัสรู้พระทำกว่าที่เราจะได้มาศึกษาพระทำนละ น, นั่นก็อยู่ตรงนี้นี่ไงคือพุท ธ, ธนี่ไงพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ในคือบุรุษเอกของโลกนี่ไงคือบุรุษที่ยิ่งใหญ่ดงนั้นถ้ า, าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะได้รู้จักว่าองคพระพุทธเจ้าเพียงชาติเดียวที่เรารู้เล็กๆ น, น้อยๆยังยิ่งใหญ่ไปเลยทำสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากเอาชนะสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นเอาชนะได้ยากอดทนต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นทนได้ยาก เห็น ไ, ไหมตัดสรู้สิ่งอื่นที่บุคคลอื่นตัดสรู้ได้อยัง ไ, องไงพระอง์ในตัสรูร้ลีลาสัตว์เนี่ยสัตว์ที่มีความเพียรน้อยมีปัญญายากที่จะคิดเองแล้วตัดสรู้นี่คือพระพุทธเจา้าถ้าเราพิจารณาในลักษณะาาอย่างนี้เราก็จะเห็นไงว่าเนี่ยสภาวะอย่างนี้เรียกสภาวะพุท ธ, ธะก็คือการตัดสรู้ส่วน ส, สภาวะธรรมะก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้า คำสังสอนพระเจ้าปัจจุบันนี้ก็มารวบรวมเป็นพระปรีดิธรรมก็คือพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นับยังไงพระวินัยยบิฎกสองหมพันพระสุตตันต์บิฎกก็สองหมพันรวมเป็นเท่าไหร่แล้วสองหมนึ่งพอย่างละสองหมนึ่งพันเป็นเท่าไหร่สี่หมสองแล้วพระอภิธรรมบิฎกอีก4ี่ห0ื่พันพระธรรมขันธ์รวมเป็น 84% ดหมี่พันพระธรรมขันธ์ พระเจ้าตรัสไว้แก่พระนนท์ดูก่อนอานนทำและวินัยที่จะถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทําแล้ววินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอหลังการร่วงไปเองหลังก็แปลว่าอะไรแปลว่าพระวินัยยปิโด๒ 1,000 พระธรรมขันจักเป็นศาสดาของพวกเธอทํากิจแทนเราคอยบอกว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธออันนี้ทําได้นี้ทําไม่ได้ พระสุตตันตบิดก 21,000 จะเป็นศาสตราทำกิจแทนเราจะมาสอนอะไรจะมาสอนในเรื่องของสติปัฏฐาน4 ส, สมปัติทานอิธิบาทอินทร์พละโคชงอริยมรรคจะมาสอ น, นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาพระพิทรมบิดก4 2่0 0ืจะมาสอนในเรื่องของขันนะหสอนในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจสอ น, นเรื่องกระแสของชีวิตที่มันสืบเนื่องกันอย่างยาวนานในวะตะเนี่ย มันเป็นมาอย่างไงที่มันไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นสาภาวธรรมต่างๆอันนี้เนี่ยนั่นแหละจะทํากิจแทนเราสรุปก็คือว่าตถาคตปรินิพานเป็หนึ่งแต่พระพุทธเจ้า8ป0 0 0ืพันจะทำกิจศาสดาแทนเราเข้าใจไหมเนี่ยฉะนั้นพระปริยัติธรรมนั้นจึงเป็นภาษาศาสดาแต่เราจะเข้าใจได้อย่างไรใช่ไหมบางทีเราไปอ่านคําสอนดี๋ยวเราไม่เข้าใจว่านั่นคือภาษศาสดาทีนี้เอาเราจะเข้าใกล้อย่างไงเข้าใกล้ภาษศาสดาอุบาศกอุบาสิกาก็แปลว่า เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยคือใกล้พระพิจารณ์ใช่ไหมนั่งใกล้อย่างไงยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เราเข้าใจเรื่องศีลพอเราจะเกิดความโกรธขึ้นมาพระศาสดาก็จะท่มสอนเราบอกว่าความโกรธเป็นตัวตัดรากอะไรตัดรากภูสุลสิกก็เหมือนมีเสียงบอกในใจเหมือนเลยใช่ไหมเพราะเราจําคําสอนได้แล้วเราเข้าใจคําสอน เราก็ไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นในกระแสใจอันนี้ถือว่าพระสาสดาอยู่ใกล้หัหยถือว่าเราอยู่ใกล้พระสาสดาหไหมพระสาสดาก็จะต้องคอยบอกตลอดอันนี้ควรแก่เราเช่นตอนนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยเช่นว่า อ, อันนี้ควรแก่เรานะอันนี้ผิดศีลอันนี้มีศีลอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำเช่นการปฏิบัติต่อพ่อแม่ เ, เป็นจารีศีลใครบอก พระพุทธเจ้าผมการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์การปฏิบัติต่อมิตรต่อเพื่อนการปฏิบัติต่อต่อบุตรภรยาเบาผ้า่เออการการปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าสาวกผมได้การที่เราปฏิบัติถูกใช้ภาษาสดาพระธรรมสอนอยู่ไหมนั่นไงว่าสิ่งควรทําไม่ควรทำแล้วต่อมาก็พัฒนาจากจารีตมาเป็นวาลิตะคือข้อห้ามแล้วก็เริ่มมาสมาทานไม่ฆ่าสัตว์ เห็น ไ, ไหมไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่พูดส้อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อใจก็ไม่โลภใจก็ไม่โกรธใจก็มีปัญญาอันนี้ก็เริ่มตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรร ม, มบท10แล้วก็งดเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสมโนทุจริตสก็อบำเพ็ญกายสุจริตสามวจีสุจริตสีมโนสุจริต3อันนี้ชัดเจนไหม อันนี้แปลว่าคําสอนของพระศ า, าสดาเหมือนกล้องอยู่ในกระแสใจเราตลอดนี้ถือว่าพระศ า, าสดาพระธรรสอนหรือยงนี่ไงอุบาสกอุบาสิกาเขาเรียกใกล้ชิดพระศ า, าสดาไปหน้าที่ตรงไหนก็มีพระพุทธเจ้าไปตลอดไหมมีพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติในคําสอนพระเจ้าเป็นพระธรรมไหมเป็นพระธรรมเลยและเมื่อเราเดินตามพระธรรมนั้นชื่อว่าเพื่อจะพัฒนาจากบุรุชนให้เป็นอริยสงฆ์เข้าใจยัง ชนัสภาวะธรรมก็เป็นธรรมะ ก, ก็คือว่าเป็นสภาวะเหมือนกันถ้าหากว่าถามบอกพระธรรมคืออะไรก็คือสภาวะดับทุกข์ถ้าสูงสุดใช่ไหมเอาถ้าหากว่ากุศลศีลเกิดขึ้นมาความทุกข์เพราะราคาโทสศโมห oh ะเริ่มไม่ค่อยได้กินแล้วถ้าสมาธิมีถามว่าจิตตั้งมั่นไหมปัญญาเกิดโมห oh นะหายไหมปัญญาเหมือนเทียนเหมือนแสงเทียนใช่ไหม แสงเทียนถ้าจุดมากๆดีไหยถ้าแสงเทียนดับมืดไหยมืดไม่รู้บุญรู้บาปเลยอันนั้นเขาเรียกว่าบอดโมหะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคนที่มืดบอดเขาเรียกว่ามูลหะอันทะภาลบุตรชนมูลหะนี่คือหลงอันทะก็คือบอดคือมืดนะพาละก็คือ คนพาณิชปุถุชนคนโง่เนี่ยปุถุชนปุถุชนเนี่ยไม่ฉลาดด้วยบอดด้วยใช่ไหมบอกว่าปุถุชนเนี่ยเป็นคนพาณด้วยหลงด้วยบอดด้วยต้องงัาา้นแต่ถ้าเป็นกัญญาเปุถุชนเนี่ยก็กําจัดความไม่รู้ความไม่ฉลาดกลายเป็นความฉลาดใช่ไหม และจากความหลงก็กลายเป็นคนไม่หลง ม, มีปัญญาจากคนบอดก็ไม่บอดมีตาคือปัญญาสว่างสวัยขึ้นมาที่เป็นงนี้ยังเราเนี่ยมาศึกษาคําสอนเน่ยเราต้องการกําจัดอะไรภาวะของความหลงพยาภาร ะ, ภ า, ะภาวะความบอดความภาวะของความไม่ฉลาดใช่ไหมเอาความหลงเอาความบอดเอาความไม่ฉลาดออกจากกระแสใจได้ แล้วก็เลยมีศรัทธาที่มั่นคงมีสติที่มั่นคงมีปัญญาที่มั่นคงเกิดขึ้นมาแทนที่อย่างนี้แปลว่าความสว่างสวัยเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตไหมเกิดเลยใช่ไหมเพราะกระแสะชีวิตมีความสว่างสวยมีความแข็งแรงมีความตั้งมั่นแล้วก็พัฒนาจากสว่างในน้อยก็เริ่มจุดแสงสว่างในใจให้มากขึ้นมากขึ้นดีัหม ก็กลายเป็นภาวะที่มีความสดใสมีความตั้งมันนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าถามว่าพุทธะคือพระพุทธเจ้าและสภาวะที่ตัดสู้เองโดยชอบถ้าธรรมะก็คือส่วนหนึ่งคือเป็นคำสอนส่วนสภาวะอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะดับทุกข์เหมือนกันก็คือตัวเข้าถึง อย่างเราเนี่ยสามารถขจัดกิเลสและเข้าถึงความดับทุกข์ได้นั่นคือพระธรรมไหลอยู่และถ้าสังขาก็ภาดิยาสงและสมุติสง์แล้วก็สภ า, ส, าสภาวะนี่นะที่เข้าถึงความแจ้งด้วยความจับทุกตามสภาวัตถุนั่นแหละคือสังขะยี่เข้าใจยากไหมเนี่ยยากไหม ถ้าพุท ธ, ธโดยบุคคลก็คือบุคคลที่สร้างบา ร, รมีมาตามลําดับที่เข้าใจใช่ไหมถ้าว่าโดยสภาวะก็คืออารัฐธรรคกขยานทั้งหลายที่ประชุมเกิดขึ้นแล้วก็แทงตลอดทุกความเดาเหตุให้เกิดทุกความดับทุกและข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกได้ด้วยตนเองเข้าถึงความจริงนี่คือพระพุทธเจ้าส่วนธรรมะก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นสภาวะเลยคือมรซีผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยก็คือโรกุตตะธรรมเนี่ยอันนั้นคือสภาวะที่เข้าเข้าถึงความจรงิงใช่ไหมสภาวะที่พ้นจากโรคโกรหลงเลยเป็นโรกุตตะธรรมเลยนั่นคือสภาวะธรรมะไปฉะนั้นเวลาเราหรือสังขาก็คือพารียสงคือสงสาวกที่ที่กำจัด ก, กิเลสได้แล้วว่าด้วยบุคคลและสมมติสงในที่นั่งเนี่ย เนี่ยที่พระนั่งอย่างอามาอยู่กันนี่ก็สมมุติส่์สง์ที่ยังเป็นสมมุติอยู่แต่พยายามจะพัฒนาตัวเองให้เป็นอริยสงฆ์ให้ได้อันนี้ก็สมมุติสง่งส่วนสภาวะก็หมายถึงความว่าสภาวะที่เข้าถึงรู้แจ้งความดับทุกข์ตามสภาวะพุทธะก็เริ่มจะพัฒนาเพื่อจะเข้าถึงใช่ไหมไอ้อย่างพวกเราตอนนี้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกา ถามว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยศรัทธาต้องตั้งไหมต้องตั้งไว้ที่ไหนสภาวะพุทธะสภาวะธรรมสภาวะสังขะตั้งไว้ในพระราตนตรยัยนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมโอ้เข้าใจย า, ยากเหมือนกันเนื้อทีนี้พอเราพอเราบอกว่าพุทธังสารนังกัจฉา ม, มีเพราะว่าสารนาเนี่ยสรนาเนี่ยมีสามความหมายที่พึ่ง กับที่ลึกเครื่องป้องกันภัยใช่ไหมเครื่องป้องกันภัยกับที่พึ่งเช่นป้องกันภัยการเกิดแก่เจ็บตายด้วยความที่ความวิบัติต่างๆเหล่านี้เน่ยเครื่องป้องกันภัยเหล่านั้นน่ะนี่คือสาระสาระอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าที่ระลึกที่ระลึกเป็นเหตุแห่งการที่ได้ระลึกถึงบ่อยๆใช่ไหมสาระเราจะได้ระลึกบ่อยๆ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์นี่ยเรียกสารณะคือการระลึกถึงบ่อยๆเอาอะไรไประลึกเอาอะไรไประลึกเอาสติเพราะธรรมชาติของสตินั้นเป็นธรรมชาติที่ระลึกและสติเนี่ยต้องระลึกแบบไม่เลื่อนลอยด้วยนะเพราะลักษณะของสติเนี่ยตัวเองก็มีความตั้งมั่น ไม่เลื่อนลอยเหมือนกับลูกน้ําเต้าที่ลอยอยู่ในน้าก็มีความระลึกได้อย่างมั่นคงและทำสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันตนให้มีความระลึกมั่นด้วยและในขณะเดียวกันสตินั้นก็คือระลึกมั่นในคุณของพุทธยิยานในพุทธิยานในสภาวะพุทธะสภาวะธรรมะสภาวะสังขะโดยไม่ทําให้อารมณ์กล่าวคือพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณ คือคุณของพุทธเจ้าคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นเราเนี้ยให้เลือนหายไปจากใจนี่คือลักษณะของสติเขาเรียกลาลึกเข้าใจไหมแตนี้ถ้าถามว่าแล้วใจของเราเพราะพระพุทธเจ้าหายไปบ่อยไหมถ้าเราเริ่มเรียนรู้อย่างเงี้ยการละลึกเริ่มจะเป็นไหมวเวลาสวดมนต์ก็เริ่มจะตั้งมั่นเป็นใช่ไหมทว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่อึกข้าพเจ้าขอถึงพระียสุขว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกนี่เริ่มชัดแล้วก็แปลว่าให้สตินั้นตั้งมั่นในพระคุณยากไหมอันนี้สารณะเนะี่ยเนี่ยพื้นฐานก่อนศีลด้วย้ใช่ไหจริงๆเนะี่ยพื้นฐานก่อนศีลใครไม่เข้าใจเนะี่ยต้องถามนะ ไม่ชียากไหมยากไหมไมยย่ยากเนาะพอชีก็ไม่ยากต้องถามคนที่เขารู้ไว้ก่อนเพราะจะได้มีกําลังใจว่าเออยังมีคนเข้าใจผมก็อย่างนั้นโออธิบายไปแทุกคนงงอะไวก็ไม่รู้สภาวะดับทุกสภาวะพ้นทุกอะไรก็ไม่รู้ใช่ไมไก็ก็งงเลย ประการต่อมาคือว่าเครื่องเบียดเบียนเครื่องกําจัดภัยแล้วก็ความเขาบอกว่าสรณะเนี่ยแปลว่าเบียดเบียนก็ได้เ บ, บียดเบียนก็ได้กําจัดภยัยคือกําจัดชาติภยัยภัยการเกิดเป็นภัยไหมความแก่เป็นภัยไหมเห็นชัดนะความเจ็บเป็นภัยไหม ounces. ความตายเป็นภัยไหมความโศกความร่ําไรลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจจัดรุนภัยใหญ่หลวงแผ่นดินไหวเป็นภัยไหม น้ำท่วมไฟไหม้ลมพัดเกิดโดนลิฟต์โดนอะไรต่างๆนี้สิ่งต่างๆนี้เป็นภัยหมดเลยแต่ถ้าคนถึงสารณะก็กำจัดภัยเหล่านี้เกลี้ยงเลยนี่เป็นอย่างนี้ฉั้นคนที่จะต้องสัตว์ทั้งหลายกำลังเจอภัยเราเนี่ยถ้าไม่ถ้ากระแสะชีวิตไม่เจอกับความทุกข์จริงๆเราจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตนั้นไม่มีที่พึ่ง มันต้องเจอใช่ไหมและต้องเจอทุกคนด้วยไม่ใช่ว่าพระาไปหูยมาอบรมเรื่องนี้ทนำะไมพามาบอกอยังเลยว่าเราจะต้องไปเจอภัยเนี่ยคือเราเนี่ยนะจะต้องไปเจอภัยเหล่าเนี้ยทุกกระแสะชีวิตที่ต้องเจอแน่นอนอุปสรรคและปัญหาพอไปเจอขึ้นมาเนี่ยเราหนักเข้าหนักเข้าเราจะหาที่พึ่งไม่เจอจะหาที่หลบภัยไม่พบเพราะใจเราไม่มีสาระที่มั่นคง จะคิดถึงแม่ถึงพ่อเอาพ่อแม่ตายไปซะแล้วช่วยไม่ได้เขาอีกจะคิดถึงลูกเอาลูกก็กําลังเจ็บไข้ยอย่างนี้สมมติเนี้ยเอาไม่ที่พึ่งอีกจะคิดถึงสามีเอาไม่ใช่ที่พึ่งอกีคงองอกคิดถึงตัวเองก็ไม่รู้จะพึ่งยังไงฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกับจัดภัยคือยามใดเกิดความกลัวพุทธเจ้าตรัสไว้นะบอกว่ายามใดที่เจอเกิดความกลัวเกิด ขลพองสยองก้าวเกิดความทุกข์เจอภัยต่างๆต่างๆนี้ในเวลานั้นในเธอคิดถึงวุฒิย่าคิดถึงพระธรรมคิดถึงปริยาสง่์เมื่อคิดถึงวุฒิย่าคิดถึงพระธรรมคิดถึงปริยาส่งวความกลัวหรือภัยต่างๆเหล่านั้นจะหายไปจากใจจริงถึงเดาจำลองอย่างนี้นฉะฉันเป็นเครื่องกําจัดภัยอะไรคือภัยใหญ่หลวงคือทุกข์ในวัฏะเนี่ยีนะที่เราจะต้องไป เกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายมนความเจ็บปวดที่ถ้าเราบอกว่าตอนนี้เราก็ดูเหมือนเราไม่ค่อยเจอความทุกข์อะไรใช่ไหแต่จริงๆแล้วทุกคนเคยเจอั้มเคยพลัดพากไนหะพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายหน้าตายปู่ย่าตายยายเราเคยพลัดพากมาหมดแล้วแล้วเราก็เดินก็ไปหามันเนี้ยไอ้ความตายเนี่ยมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนไอ้ก้อนหินใหญ่สี่ก้อน กริ่งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ที่จะหลบยังไงที่สุดมันก็มาเบียดมาทับกระแสชีวิตเราเป็นได้ทุกชีวิตเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเข้าใจชีวิตเสียตรงนี้ถึงบอกว่าฉะนั้นการที่บอกสาระก็ได้สามความหมายที่พึ่งที่ป้องกันก็ได้นะที่ระลึกที่สองก็ที่สามก็คือเครื่องเบียดเบียนเครื่องกบจัดภัยในวัตะทุกในวัตะทั้งหลายที่สามความหมาย ส่วนคำว่าคัดฉามีเนี่ยมีอยู่สองความหมายคือการถึงและการเข้าถึงถึงรู้ก็ได้เข้าใจก็ได้ใช่ไหมคัดฉามีเนี่ยการรู้การเข้าถึงการเข้าใจเนี่ยก็คือคัดฉามี้ถ้าบอกพุทธทางธรนังคัดฉามี้ข้าพเจ้าขอถึงน่ยแล้วขอต้องถึงแบบเข้าใจไหมถึงแบบความรู้แบบความเข้าใจไม่ใช่ถึงแบบงมงายถึงแบบไม่เข้าใจแบบเราไปบอกว่า พุธทธังสระนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่เรืลอกเป็นเครื่องกำจัดภัยก็กล่าวก็เฉยเฉยไม่รู้อะไรไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจและไม่ได้เข้าถึงจริงๆคำว่าเข้าถึงนั้นจิตใจต้องเข้าถึงั้ยต้องเข้าถึงต้องฝังลงในใจเลยไหมฝังลงในใจแบบแนบแน่นมต้องแนบแน่นเลย รู้เข้าใจแล้วเข้าถึงอย่างแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวไหมต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยามยามเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยนะคุณของท่านเนี่ยจะต้องฝังแน่นในใจตลอดมันถึงจะมีใจนั้นมั่นคงถ้างั้นจะเป็นคนหลักร้อยไหมถ้งนั้นเราก็แยกผิดถูกไม่ได้นะครเราก็แพ้ภัยกิเลสใช่ไหมเดี๋ยวก็ออกไปแล้วพวกกระโทรมาแล้ว ไหนเป็นยังไงหายไปห้าวันใช่ไหมมาที่บ้านหน่อยที่โดเาตอนนี้เรามีภาพยนตร์มาใหม่อยู่เรื่องดีเลยเกินเดี๋ยวมานอนดูกันเป็นไงเป๊ะไหมพอมีพระเจ้าบอกว่าโ อ, อาบาบยามุมเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ถ้าจะดูมาดูว่าเอ๊ถามเพื่อ น, นทันทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้ความรู้ไหมให้ความเข้าใจของชีวิตมากขึ้นไหม หรือดูแล้วโง่ยิ่งกว่าเดิมหรือเท่าเดิมไม่นะก็ถามเพื่อนแล้วถ้าโอิดูแล้วสร้างความโง่ความหลงความงม ง, งายด้วยแล้วก็ทำให้ชีวิตมัวเมาแล้วเอเพื่อนเปลี่ยนเป็นเรื่องที่มีสาระกว่านี้ดีไหมเห็นไหแล้วก็ไม่ขัดแย้งกับเพื่อนแต่พูดให้เป็นเห็นไหมบอกไอ้ดูแล้วสร้างปัญญาสร้างความเข้าใจอะเพราะเราดูเพื่อนๆมาตั้งอายุยี่สิบปครบวแล้ว จะปา30มสขวบแล้วเราก็แหมตอนนี้โตแล้วเนี่ยเป็นนิสิตนักศึกษาโดยซ้ำไปเนี่ยจะจบออกไปแล้วเรียนด้านจีวิทยามันหลงตัวเองอย่างนี้ไม่ดีมั้งเพื่อนเนอะเอะเนะเข้าใจยังเออแม่เราเป็นคนมีความรู้อย่างนี้ไปทําไมไปมอมเมาตัวเองอย่างนี้เราวมันกระทศร้าสติสมบูัณ ญ, ญาตัวเองนี่แท้ทีจริงพระเจ้าอยู่ในใจเราไม้แต่เราก็มีอุบายวิธีในการคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกเอออิงเป็นอะไรไปใช่ไหม เองเป็นอะไรไปเนี่ยเพี cette, apa, see, <c oughs> ้ยนหรือเปล่าอะไรเนี <yah> ่ยมันคนมองเราเพี้ยนใช่ไหมแท้ที่จริงเราน่ยมองเขาเพี้ยนเต็มตัวใช่ไหมเขาเพี้ยนเต็มตัวแต่เขาไม่รู้ว่าเพี้ยนเอาลงไปที่โรงพยาบาลบ้าเนี่ยมีคนบ้าสักคนเขายอมรับว่าเขาบ้าเขาไม่ยอมรับว่าเขาบ้าเขาถ้าเราไปปุ๊บเขาจะมองว่าเราบ้ารึเปล่องไปสิเขาจะมองว่านี้บ้าเน่ยมาก็ไปนะอามาจะไปบ่อยมาก มาชอบไปดูไปหาข้อมูลยังไงก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปนานเลยเวลาไปเบสเด็ดที่แรกเร า, กมามองแยกไม่ออกเลยเนะี่ยหมอก็บอกว่าเออคุยเขาบอกหมอก็บอกว่าเนี่ยดีอาการดีแล้วก็มานั่งคุยกันมาเออคุยใหม่ๆหม่าจะคุยเป็นเรื่องเป็นลาวมากเนะี่ยคุยเข้าใจมาเออหนักเข้านักเข้าเริ่มเริ่มเพี้ยนแล้วประเด็นเริ่มเพี้ยนแล้วนะักเข้านักเข้าเริ่มเพี้ยนแล้วเขาจะคุยเรื่องมันเนี่ย เขาเนี่ยมาตรงเนี้เขาไม่ได้บ้าเนะเพรขาว่างั้นเขาเนี่ยถูกคนโกงเขาเขาบอกเขายังมีทรัพย์เยอะแต่ต่อมาเนี่ยว่างั้นก็มีคนในเครือญาติเขาหลอกเข้าม า, ามาความจริงเลยนะี่ยเนี่ยหลอกเข้ามาไปเสร็จแล้วก็เอามาให้หมอเนี่ยนี่พวกหมออะไรเงี้ยก็เป็นใจก็ว่าเป็นใจกับญาติเนี่ยเป็นใจกับพี่ป้านะอ๋ที่เขาโกงโยมหมดเลยนว่างั้นนะะ เนี่ยพวกหมอพวกนี้ไว้ใจไม่ได้ท่านระวังเนอะเอาเลยตอาไม่เอามาเราแวงใช่ไหมเอามาก็เริ่มระแวงหมอแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอนี่ไม่น่าไว้ใจมาลอกคนไข้แล้วก็เกิดสงสารเขาฟังเขจะเชื่อมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกนี่เนี่ยพวกนี้ไม่น่าไว้ใจหรอกเพราะเขามีส่วนได้กันเออเขาพูดดีได้นะมีส่วนได้กันเพราะเพราะพราะตัวเขาเนี่ยมีทรัพย์เยอะมากเลยาะงั้นเขาพอมาไปเสร็จเขาจยาฉีดให้ แล้วก็ฉีดให้ทํำแล้วก็ทําให้มึนงงแล้วก็ออกจากตรงนี้ไม่ได้เขาก็เลยมามาหาว่าว่าว่าโยมนี่บ้าแท้จริโยมไม่บ้าเราก็เลยเขาว่างเข้าไปเลยนี่เนียแล้วครัหมอก็มาบอกให้ฟังว่าอย่าไปเชื่อแล้วก็โกกมาเลยมึนยันทุกวันไม่รู้ใครไม่รู้ใครบ้าหรืนี่เห็นไหมลักษณะในกรณีอย่างเนี้ยถ้าถามว่าเป็นภาวะที่จิตใจไม่มีที่พึ่งเลย ถ้าเราไปเราเย็นเนี่ยรุ่นรุ่นเรานี่เยอะมากบางพวกก็เป็น เ, นเพศทีร่รุนแรงใช่ไหมนี่มาจากจิตใช่ไหมความวิปริตของจิตเราเรียนเรื่องนี้เราก็ต้องหาข้อมูลพวกเนี้ยต้องเข้าใจคนเพศนี้เนี่ยเข้าใจเลยฉะนั้นการเข้าถึงและการรู้การเข้าใจเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าการอย่างพุทธทังตรนังกัฉามีข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นต ร, ระหนักเนี่ยการเข้าถึงแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจเนี่ย ศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เชื่อต่อสัตย์ยวะถุคือวัตถุที่ควรเชื่อก็คือคุณของบุทุษย่าสภาพธรรมที่เชื่ออย่างแน่นอนต่อสัตยะวะถุอสภาพธรรมเช่นนี้เป็นอย่างนี้เช่นสภาวะของพุทธะเป็นสภาวะที่ตรัสรู้อริยสั จ, จาตามความเป็นจริงได้ด้วยตนเองแล้วสา ม, มารถที่จะประกาศคำสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามด้วยด้วยนี่คือสภาวะพุทธะใช่ไหม เกิดขึ้นณเวลาไหนดังที่ได้กล่าวไว้แล้ววันเพ็ญขึ้น15บห้าคเดือนหกวันวิสาขาบูชาใช่ไหมเมื่อ2500กว่าปีมาแล้วที่เกิดขึ้นในกระแสะใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บําเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างยาวไกลอยู่นี่ก็เข้าใจนั่นว่าโดยบุคคลว่าโดยตามลำดับแต่ถ้าตัวสภาวะจริงๆก็คือสภาวะที่ตัดสู้สัจจะนั่นแหละอันนั้นเป็นปัญญาญาณที่เกิดขึ้นประชุมในการประหารกิเลส เป็นสมูชีทาป่าจากอมรลสันดานต่างๆส่วนสภาวะธรรมธรรมะก็มีสองส่วนใช่ไหมในส่วนของปริยะติ 80, 000, รธรรม8 0ด0 0ื่นสี่พันปฐมคันอันนั้นส่วนหนึงรือพระธรรมส่วนสภาวะก็คือเป็นมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนะั่นคือพูดถึงตัวโลกุตาละแต่สรุปก็คือเป็นสภาวะที่ดับถุนดับถุนไม่ใช่สัตว์ ส่วนสังฆก็คืออริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์เหมือนอามาเป็นสมมุติสงฆ์กันเพื่อจะพัฒนาของความเป็นอริยสงฆ์ฉะนั้นภิกษุภิกษุณีอุบาสกและบาสิกาตอนนี้เราเป็นบุุชนใช่ไหมเป็นอุบาสกบาสิกาก็ต้องพัฒนาจากการเป็นปุุชนเป็นกระยาณนะบุญชนเนี่ยเพื่อจะพัฒนากระแสของชีวิตเนี่ยให้เข้าถึงความบริสุทธิ์เพื่อจะได้เข้าถึงความเป็นอริยสงฆ์ อะไรที่จะมาขัดกาว่าก็คือตัวสิกขาสามก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาคือตัวธรรมะก็คือสภาพธรรมก็น้อมสภาพธรรมก็มาสู่ในกระแสของชีวิตในจิตใจให้จัดแจงกายกรรมวจีกรรมให้ไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้กระจัดกระจายนั่นเบื้องต้นด้วยการทําบาปอากุศลกรรมบด10บงดเว้นจากอากุศลกรรมโมบดสิบแล้วก็มาสมาทานตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบดสิ คือกายสุจริตสาัจีสุจริตสีและมนโนสุจริตสามชัดเจนไหมตรงนี้นี่คือสภาพธรรมะที่เป็นเบื้องต้นแล้วก็พัฒนาจากเบื้องต้นเนี่ยมีการขัดเกล า, าพัฒนาศิกขาสากล่าวคือศีลสมาธิปัญญาให้พัฒนาเจริญเป็นตามลําดับฝึกฝนเพียรพยายามไหมฝึกฝนใครคือผู้ฝึกฝนเพียรพยายามภิกษุภิกษุณีวาสมุบสิกาก็าพวกเราเนี่เราต้องการพัฒนาเข้าสู่เป็นอะไร เป็นสังฆะเป็นหนึ่งในรัตนาตายอย่างเข้าใจยังตอนนี้เรายังเป็นได้แค่สมมุติจริงไหมไม่รู้จะขึ้นชั้นได้หรือเปล่านี่น ไ, ไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ยีกว่าเราจะฝึกฝนเพียรพยายามที่จะพัฒนาขัดเกลาตนเองให้เข้าถึงเป็นสภาวะสังฆะได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นสังฆะอิสระไหมปลอดโปร่งจากกิเลสไหม ปลอดโปร่งจากความโลภความโกรธความหลง ม, มานะทิฐิตอนนี้เรายังถูกเขาดึงบรุงมาตุ้มเลยใช่ไหมตอนนี้โอ้โหเขาอยากให้เราโลภโลภไหมกําหนัดก็กําหนัดอยากให้ร้องไห้แล้วก็ร้องอยากให้ฟุ้งซ่านฟุ้งไหมฟุ้งตอนนี้ชีวิตเป็นอิสรมไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นหรอกเป็นได้ยังไงอ่อถ้าความโกรธเกิดขึ้นเราทําตามใจความโกรธไหย มีเพื่อนมานั่งดา่าโกรธไหมโกรธโกรธแล้วยับยั้งได้ไหมบางทีบอกกูอยอมนะเพราะขอไฟนะฮะยอมจริงแต่ ว, ว่าในใจคิดว่าวาลานี้เรายังแก้แค้นไม่ได้เดี๋ยวเดยเดี๋ย ว, ยวอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่ใช่แปลว่าตอนนี้เราถูกเขาใช้แล้วมาใช้สับแผลนะเขาจิบหมวเราใช้ เขาอยากจะให้เราทำอะไรก็ทำความโลภความเห็น ไ, ไหมตอนนี้ชีวิตไม่อิสระไม่เป็นประชาธิปไตยจะนะถ้าเป็นอิสระจริงๆแปลว่าต้องปลอดโปรงจา ก, กความกำหนัดปลอดโปรงจากความขัดเครืองปลอดโปรงจากความลุ่มหลงตอนนี้ความกาหนัดจะเข้ามาสู่ใจเมื่อไหร่ได้ไหมได้ง่ายมากความขัดเครือง ก็ง่ายความร่วมหลงก็ง่ายกำหนัดขัดเครืองร่มหลงเนี่ยท่องไว้เถอะไหลมาเป็นระยะระยะใช่ไหมมีใครมาพูดดีๆหน่อยละชื่นใจไหมยินดีไหมนั่นแหละกำหนัดแล้วยินดีแล้วเขาบอกโอ้โ oh หทําไมไปปฏิบัติทำมาทําไมผิวงามเหลือเกินชื่นใจไหคําเนี้ยแหมดูผ่องใสเหลือเกินสแสดงว่าจิตใจ สดชื่นกินอาหารดีนั่งกรรมฐานจเจริญกุศลสวดมวนต์ไหว้พระแม้ผิวผองสดใสเลยชื่นใจไหมชื่นใจเลยใช่ไหมเขายกย่องแล้วเนี่ยแต่เขาบอกพอพูดไปด้ยสักพักนึงแต่ทำไมดูห้อยห้อ ย, อยซึมซึมเื่งเสื่องเหมือนคนใกล้ตายเอาแบนี้ขัดเครืองไหมขัดเครืองไม่เข้าใจเลยร่มหลงเห็นไหมเนี่ยกรณีในลักษณะเนี้ยความ เราจะอยู่ที่สิ่งเล้าข้างนอกอ่ะแสดงว่าเราไม่มีจุดยืนของคำสอนเลยเราไม่มีพระรัตนตรยเป็นที่พึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเขามองเราก็จะมาพูดบางคนถ้าผู้ชายบางคนผู้หญิงก็คิดเดี๋ยวจะต้องหลอกคนนี้หัวปั่นมันก็หาอุบายวิธีหลอกใช่ไหมแล้วก็เชื่อผู้หญิงบางคนก็เหมือนกันก็เจอผู้ชายบอกว่าเออเราจะ เนี่ยโดนเขาปั่นทำจ้วงเหมือนเจริงหลมัหยเหมือนเจีงหลีเขาปั่นได้นะเนี่ยก็นี่งไงฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าหากว่าเข้าถึงสภาวะของพุทธไอ้ตั้งมั่นเนี่ยถ้าจบอกว่ามีความเชื่อและอย่างหนึ่งนะสภาพธรรมนที่ทำให้ธรรมที่เกิดพรรมตนใสในต่อใสๆถเหมือนแก้วมันดีแล้วตัวเขาเองเนี่ยเด็ดเดียวไหมศรัทธา เด็ดเดียวแล้วก็ทําจิตใจที่ศรัทธาเกิดร่วมด้วยนะั้นเด็ดเดียวด้วยเด็ดเดียวต่ออะไเด็ดเดียวต่อพระัตนตรัยและมีความเชื่อมั่นต่อกำไหมและผลของกรรำคือชัดไงเข้าใจในเรื่องกรรำและผลของกำรรเด็ดเดียวต่อศิกขาสามไม่ศีลสมาธิปัญญาว่าจะเป็นแนวทางใงการทําให้ตนเองเข้าถึงความอิสระจากกิเลสได้จริงเห็นไหม ก็เด็ดเดียวแล้วก็ตั้งมั่นว่านี่แหละศีลสมาธิปัญญาเน่ยเมื่อประชุมในกระแสขันกระแสใจแล้วเนี่ยจะทาให้เรานั้นน่ตั้งมั่นและเป็นอิสระจากความโลภโกรธหลงความกหนังขัดเคืองรุ่งโรยพอคิดอย่างนี้จิตใจก็มั่นคงจิตใจก็มั่นคงนี่ไงการเข้าถึงอ่ะแล้วก็มีความเข้าใจด้วยไหมไม่ใช่เข้าถึงอย่างเดียวเข้าใจด้วย เข้าใจก็คือว่าจะสามารถทําให้จิตใจนั้นตั้งมันในกุศลในความดีได้อย่างมันง่นคงแล้วก็ไม่เป็นธาตุของกิเลสคืออํานาจความกําหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ามีความเด็ดเดี่ยวเหมือนทหารกล้าแล้วก็มีความไม่ขุนมัวนะไม่ขุนมัวผลปรากฏก็คือว่าตัดสินใจเชื่อเลยแล้วก็ไม่ยอมถอยประทัดฐานก็คือว่า นี่ไงการครบพระพุทธเจ้าสาวของพระพุทธเจ้าฟังคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีโยนิสโสมนัสการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาพิจารณาด้วยความเข้าใจแล้วก็ธรรมานุธรรมปฏิปติก็ประพฤติธรรมตามสมควรแก่ทำที่จะเป็นเหตุปัจจัยการตัดสู้หรือพ้นทุกเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่สารณาคมตอนนี้สารณาเริ่มมันน่นคงยังเริ่มชัดเจนเลยเนี่เอาให้ถามเหลือเวลาอีกสิ กว่านาทีเนี่ยใครไม่เข้าใจเรื่องสารณะถามเลยเพราะต่อไปเราจะผ่านสารณะพอเข้าถึงระดับสีมจะได้จเจริญถูกอาสารณะนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังค ร, รัตนะเอาเลยฮะสารณะคืออะไรสารณะมีกี่ความหมายที่พึ่งที่ป้องกันสอง ที่ระลึกเอาอะไรเป็นระลึกสติยังไสติเป็นระลึกระลึกบ่อยไหมระลึกบ่อยๆเสมอเสมอเนืองเนือและไม่หลงลืมได้ไหมสติต้องเป็นธรรมชาติที่ไม่หลงลืมสติมีสัญญาเป็นเหตุใกล้สัญญาที่มั่นคงคือความจําความจําที่มั่นคงจําต่อพระราตนตรัยไม่เลื่อนในคุณของพระราชนตรัยแล้วก็เครื่อง เพิมกำจัดภัยเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนทุกความทุกในใจเนะ่ยเบียดเบียนทุกหายไปเลยสารณะเนี่ยถ้าตอนนี้มีทุกใจอยู่ความทุกหายไปเลยเพราะมีสารณะ ค, คําว่าคัจฉามีก็คือการถึงใช่ไหมแล้วก็การรู้เข้าใจเข้าถึงเข้าถึงและเข้าใจด้วยเรียกว่าพุทธทางสารณะคัจฉามีใช่ไหมเข้าถึงสารณะแบบมีความรู้แบบมีความเข้าใจและเข้าถึงด้วย ธรรมังธนังกระฉามนี่เข้าถึงพระธรรมพระปริยัติธรรมคำสอนแล้วก็สภาวะที่ดับทุกได้จริงสังขังธนังกระฉามนีตอนนี้เราพระดิญสงแนละสมมติสงใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในชั้นของสมมติไหมสมมุติต้องการพัฒนาตนเองเป็นหนึ่งในหนึ่งในรัตนตรยัยใช่ไหมก็จะเป็นสังขาให้ได้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมในอาคตนะเนี่ย ถ้าเป็นไม่ได้ก็อิสระจากกิเลสไม่ได้ก็เป็นทาตกิเลสถ้าเป็นได้เมื่อไรแล้วก็สิ้นจากความเป็นทาตุของกิเลสเราเนี่ถูกกิเลสครอบงํา ม, มานานแล้วเป็นทาตของกิเลสมานานแล้วอ้าต่อไปก็เดี๋ยวอุทิศตนบุศลหน่อยดิเอานั่งนั่ ง, น, งนั่งสงบกันสักหน่อยดีกว่ายังไม่เคยนั่งเลยนะี่สองวันมาเลยนะเนี่อ้าวลองทําดีทําท่าหน่อยดีนั่งระ ล, ลึกเจริญพุทธานุสติเนีย่ยพอเราเลย ใครมั่นใจว่าไม่หลับหลับตาเลยแต่ถ้าใครว่านั่งมั่นใจว่าจะหลับก็อย่าไปหลับตาลืมตาก่อนจนะให้ให้สาธยายคุณพระเจ้าในใจทีนี้การนั่งนี่นะแนะวิธีนั่งไหนบกเรานั่งกันมาตั้งแต่อายุทั้งยี่สบกว่าขวบแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่น่าสอนนันเนาะการนั่งนี่นะเคลิกนั่งท่าที่เหมาะสมโดยเฉพาะนักศึกษาชายต้องไม่นั่งตก้องอเนะี่ย เป็นท่าที่ไม่ไม่นั่งได้ทนแล้วเนี่ยโครงสร้างของร่างกายเสียแต่เนี้มาเจอเด็กผู้ชายเวลาไปอยู่ด้วยโอ้โหมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังมันจะงองเพราะเรามองคอมพิวเตอร์บ้างใช่ไหมหรือว่าก้มดูหนังสือนานช่วงคอก็จะงองเส้นมันก็จะยืดต่อไปในอนาคตก็จะกลายเป็นเสียหลังแล้วก็จะกลายเป็นโรคเส้นโลกกระดูกอ่ะ จานั้นก็นั่งให้ตัวตรงในชั้นของคําสอนก็บอกว่าใช้กระดูกสลังตั้งแต่เนี่ยดนัดนดันจากเอวขึ้นไปนับขึ้นไปสิบสองสบแปดท่อนเนี่ยให้ตรงตรงแต่แบบไม่เกรง็งตรงแบบทําให้เบาให้มั่นคงฐานล่างก็มั่นคงแบบไม่เกรง็งผ่อนคลายทุกส่วนนี่คือหลักการนั่งตั้งหลักให้มั่นคง เมื่ออย่างนั้นเบ็เสร็จมือก็ตั้งประสานไว้ตามความเหมาะสมที่เห็นว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ลำคาญไม่ยุ่งยากแล้วก็อย่ากเกรงส่วนของร่างกายทั้งหมดอย่ากเกรงเพื่อสำรวมทำให้จิตนั้นเป็นสมาธิี่เพื่อให้จิตนั้นเป็นสมาธิเมื่อเมื่อตั้งมั่นอย่างนั้นเบ็เสร็จแล้วนะตั้งหลับ ดูสรีระวะตรงนี้เลยดูสิก็น้อมจิตระลึกรละลึกนั้นเป็นชื่อของสัมมาสติธรรมชาติของสัมมาสติก็คือระลึกได้แล้วก็ตามระลึกได้ในคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ใช้สติสติก็ต้องมีความมั่นคงธรรมชาติของสติต้องมีความหนัก เหมือนกับหินที่โยนออกไปในน้ําต้องไม่ลอยไม่ลอยซัดไปมาเหมือนกับน้ําเต้าที่ถูกแรงลมถูกกระแสน้ําซัดไปมานี้ก็เหมือนกันสํารวมอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตอนนี้อาจตามเสียงที่จะมากล่าวก็ได้โดยการรละลึกถึงคุณของพระผู้ทธมีพระภาคเจ้า เวลาเราสาธยายนะถึงพระรัตนตรัยบอกว่าพุทธังสารานังลัฉามิทำมังสารานังลัฉามิพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูก่อนมหานามะก็เพราะอุบาสกเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสารณะเป็นผู้ถึงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกาจัดภัย เป็นผู้เข้าถึงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในพระสงค์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่กำจัดภัยด้วยประการดังกล่าวมันแล้วนี้แหละจึงเรียกว่าอุบาสกจึงเรียกว่าอุบาสิกาดูก่อนมหานามะบุคคลเกิดมาในโลกนี้หญิงก็ดีชายก็ดี มีความยินดีในบรวรพุทธศาสนาอุตสาหะรักษาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนับถือว่าเป็นที่พึ่งอลัมเลิดอันประเสริฐยิ่งนักจึงมีนามว่าเป็นอุบาสกและอุบาสิกาเราต้องการเข้าถึงความเป็นอุบาสกและอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าและมีความใกล้ชิด แนบสนิททั้งด้านจิตใจด้วยและทางด้านกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นด้วยเมื่อพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้จเจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระรัชส์ว่าเป็นสารณะขอพระพุทธเจ้าผู้จเจริญโปรดทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกา พูดถึงสาระนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตการที่เราประกาศตนเองในการกล่าวพุทธทังตะระนังกระฉามิทามังตระนังกระฉามิสังคังตระนังกระฉามิอย่างนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการประกาศแล้วก็ยืนยันว่าการเข้าถึงเนี่ยเป็นการเข้าถึงอย่างแท้จริงนะไม่ใช่เป็นการเข้าถึงอย่างเล่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยานคือตัดสรู้อริยสัจ ส, สี่ตัดสรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกครอบดิบัติให้เขาดึงความดับทุกแล้วประกาศพระธรรมคำสั่งสอนตั้งพระศาสนาขึ้นมาพระปัญญาคุณในการตัดสรู้พระผู้มีภาคเจ้านั้นทรงเป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์ พระ อ, องค์มีพระมหากรณาธิคุณในการประกาศพระธรรมในการที่จะสั่งสอนเวเนยชนเวเนยัสว์ให้ออกจากวัตทุก์ได้อย่างยาวไกลพระธรรมก็หมายถึงว่าพระปริยัติธรรมส่วนหนึ่งหลังจากที่พระบรมศาสดาตรัตรู้ต่อมาประกาศพระธรรมและปริยิผ่านพระไตรปิฎกคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นพระธรรม ส่วนภาริยสงก็หมายความว่าสาวกที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี่นะพระญยาตรัสว่าโยอนันทามยาธรรมโมจะวิน an ัยโยจะเทสิโตปัญญาโตโสโวมมัจเยนะสตถาบอกว่าดูก่อนอนอนทธรรมวินัยใดที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทมและ ว, วินัยนั้นน่จะเป็นศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเรา ฉะนั้นเราสวดมนต์ทมวัดบอกว่าพุโทโธสุสุโธกรุณาหมรณโวเนี่ยพระเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงหมหาโ น, นพะองค์ใดมีตาคือญาณันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกข้าพระเจ้าก็ขอกราบไหว้พระเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นพระธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองดุดดวงประทีปใช่ไหม ก็แปลว่าตอนนี้กระแสใจเรามีพระธรรมไม้ยถ้ามีพระธรรมปรากฏอยู่แล้วเราลึกถึงคุณของพระศาสดานั้นพระธรรมเหล่านี้ก็เป็นแสงประทีปเป็นแสงสว่างที่จุดกระแสใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้ลุกโชนให้สว่างสวยอย่างแรงกล้าฉะนั้นพระธรรมนี้แหละเป็นประทีปเป็นดวงไฟโดยเฉพาะปัญญาด้วยแล้วเนี่ย จะเป็นแสงสว่างกําจัดความมืดในกระแสะใจเราได้แล้วก็ระลึกว่าข้าพเจ้าจะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเนี่ยเพื่อนมรรษการความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของภระิยาส์นั้นสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเรามุ่งมั่นตั้งกระแสะใจเราเนี่ยให้ระลึกถึงคุณของพระาศาสดา ละลึกอยู่เสมออันนี้สตินี่มีความมั่นคงแล้วก็ไม่ปล่อยคุณของพ่อศาสดาให้หลุดไปจากใจอันนี้แปลว่าสตินั้นทากิจแนละ้วในการละลึกไม่ปล่อยให้คุณของพ่อาสดาละลึกอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าจะตั้งมั่นแล้วชีวิตที่ผ่านมาเราปล่อยสิชีวิตเละหลามมานานแล้วหมายถ้าหากว่าลมหายใจขาดไปก่อนหน้านั้นชีวิตจกเสียหายมากก็สมาทานในใจ ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยและจะมีที่พึ่งแต่ก่อนที่พึ่งไม่ค่อยมีใช่ไหมต่อมาก็จะทํ า, าที่พึ่งให้เกิดขึ้นหรือการระลึกเนี่ยนะบางท่านก็ระลึกเพียงบทใดบทหนึ่งเช่นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยตัวเองเนี่ยบทใดบทหนึ่งก็ได้นะเช่นสัมมาสัมพุทโธพระ เ, เจ้าตัดสู้อริยสัจสีได้ด้วยตนเอง และสอนบุคคลอื่นให้รู้ทางด้วยสามมาสามวัฏโทรพระเจ้ า, าจะสรู้อริยสัจสี่ได้โดยตนเองแล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามด้วยเห็นไหมละลึกอยู่บทเดียวนย่างนี้เยมาจะลองเงียบเสียงนะลองตั้งละลึกดูแล้วก็หลับตาตั้งใจจริงๆดูนะลองสักระยะหนึ่งต่างอะไรยสังเกต